ฟังค่ะวันนี้บีมีเรื่องราวประสบการณ์จากคุณผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะตั้งแต่ประมาณปี2554แล้วนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับ มอใหญ่ทางภาคอีสานแห่งหนึ่งเป็นเรื่องของศาลค่ะศาลกระดิ่งเรื่องราวก็คือเกิดขึ้นเมื่อตอนปี 5.4 นะคะเจ้าของเรื่องเนี่ยสอบติดแล้วก็ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในภาคอีสานนะคะโดยที่เจ้าของเรื่องเนี่ยก็เป็นคนภาคอีสานเหมือนกันค่ะและเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง หลังจากที่เราได้เข้ารับการรายงานตัวนะตอนนั้นทางมอก็ได้แจ้งว่านักศึกษาปีหนึ่งทุกราย ต้องพักที่หอพักของมอเท่านั้นนะคะซึ่งภายหลังก็มาทราบจากเพื่อนว่าจริงๆแล้วทางมอก็ไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นนะคือเพื่อนๆเนี่ยพักห อ, อนอกกันก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมตอนเราเจออาจารย์อาจารย์ถึงบอกให้พักหอในแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าพักที่ไหนก็ได้มันเหมือนกันนั่นแหละแถมอีกอย่างหนึง่งพักหอในก็ราคาถูกกว่าหอนอกด้วยก็เลยปล่อยผ่านไปค่ะ แล้วก็ในระหว่างที่นักศึกษาใหม่กำลังมอบตัวอยู่นั้นก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่อาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นักศึกษาอยู่บริเวณนั้นเป็นจานวนมากตัวของเจ้าของเรื่องเองก็เป็นน้องใหม่ค่ะไม่ค่อยจะดูเรื่องอะไรเท่าไหร่นักก็เลยาถามรุ่นพี่ที่กำลังจะเข้าศึกษาสาขาเดียวกันบอกพี่เขาว่าพี่คะพี่ว่าหนูภาคหอไหนดีคะพร้อมกับยื่นกระดาษให้เขาดู เหตุผลที่ถามไปแบบนั้นก็เพราะว่าระหว่างรายงานตัวเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่เอากระดาษที่มีลิสต์รายชื่อหอพักพร้อมระบุด้วยนะคะว่าอยู่มอเก่าหรือมอใหม่ทางมเนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส, ส่วนโดยทั่วไปจะเรียกกันง่ายๆว่ามอเก่ากับมอใหม่นะคะที่เพิ่งสร้างขึ้นมาทีละหลังนะคะมาให้เลือกเพื่อที่จะให้ทําการชําระเงินค่าหอพักพร้อมมัดจําทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้จัดเตรียมห้องพักให้ที่แบบเข้าไปพร้อมอยู่เลย ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของเจ้าของเรื่องเองก็ตัดสินใจไม่ถูกแล้ว่ะว่าเอ๊ะจะเลือกหอไหนดีก็เลยตัดสินใจค่ะถามรุ่นพี่รุ่นพี่ก็เลยตอบว่าส่วนมากเนี่ยสาขาที่เราเรียนเขาจะอ่าพักกันอยู่ที่มเก่านะแล้วก็ที่ที่ว่าพักมเก่าเนี่ยคือดีกว่าจะได้เดินทางสะดวกไม่ไกลหลังจากที่รุ่นพี่พูดจบค่ะ เจ้าของเรื่องเองก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงเลือกหอพักที่อยู่ในโซนมอเก่าซึ่งก็มีด้วยกันอยู่หลายหอพักเหมือนกันหลายอาคารเหมือนกันดังนั้นนะคะตอนเลือกหอพักที่มีชื่อนําหน้าที่ขึ้นต้นด้วยพอค่ะพอเลือกเสร็จปุ๊บทําธุระในการรายงานทุกตัวเรียบร้อยแล้วเจ้าของเรื่องกับแม่ก็เลยเดินทางกลับบ้านลืมบอกไปนิดนึงว่าตอนไปรายงานตัวเนี่ย แม่พาไปนะคะไม่ได้ไปคนเดียวแล้วก็ที่บ้านเนี่ยกับมอเนี่ยคืออยู่คนละจังหวัดต้องนั่งรถมินิบัสถึง3ชั่วโมงกันเลยนะหลังจากกลับมาบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะก็รอวันที่จะต้องย้ายของเข้าหอพักค่ะทีนี้พอถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปเป็นนักศึกษาอย่างเต็มตัวแล้วแล้วก็นอนห่างบ้านตอนนั้นเนี่ยก็แอบดีใจนิดนึงนะคะกะว่าพอออกไปเป็นเด็กมอไกลพ่อไกลแม่ก็จะได้เที่ยวตามใจฉัน แต่มันก็คิดแบบนั้นได้ไม่นานเพราะอะไรเนี่ยเหรอคะก็เพราะว่าวันแรกที่เข้าพักที่หอแห่งนี้เนี่ยแม่มานอนเป็นเพื่อนหนึ่งคืนเพราะกลัวว่าเราจะกลัวแล้วเราเองก็ไม่เคยนอนที่ไหนนอกจากบ้านตัวเองด้วยแม่ก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคะแต่ว่าคืนแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะจะมีเพียงแค่เราเนี่ยฝันไปเองเท่านั้นคือในฝันเนี่ยฝันว่านอนอยู่ในหอพักบรรยากาศในห้องเนี่ยเป็นแบบห้องจริงเลยนะ เป็นห้องที่พักอยู่นี่เลยสักพักหนึ่งมีผู้หญิงอายุราว 35-40 ปีผมสั้นใส่ชุดสีขาวเหมือนชุดที่ใส่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนั่นแหละนะคะคือมายืนอยู่ข้างเตียงที่กําลังนอนและผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆก้มหน้าลงมาใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆเรื่อยๆค่ะจนเกือบชิดกับหน้าของเจ้าของเรื่องเลยในความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเ้ากําลังสงสัยว่าเอ๊ะเรานี่เป็นใครสักพักร่างเขาก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายใส่ชุดดา ตอนนั้นตกใจสะดุ้งตื่นทันทีแล้วภาพที่ได้เห็นตอนตื่นก็คือเจ้าของเรื่องเนี่ยนอนเอาแขนควยกันเหมือนกากระบาดทำท่าประมาณว่ากันไม่ให้อะไรเข้ามาตอนนั้นก็ตกใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าเป็นเพียงแค่ฝันแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณแม่ฟังแต่อย่างใดนะคะที่นี้พอช่วงบ่ายค่ะ แม่ของเจ้าของเรื่องนี่บอกว่าจะขอกลับบ้านก่อนเพราะเป็นห่วงบ้านแล้วอีกอย่างหนึง่งพ่อก็อยู่ที่นั่นคนเดียวก็โอเคค่ะแม่กลับไม่เป็นไรดูแลก็ไม่น่าจะมีอะไรก็เลยให้แม่กลับบ้านไปพี่เจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งก่อนหน้านั้นแล้วบอกว่าจะมีคนมาพักด้วยอีกสองคนซึ่งหอพักที่พักเนี่ยพักห้องละสี่นะเป็นเตียงสองชั้นสรุปก็คือห้องที่พักอยู่เนี่ยจะมีคนพักด้วยสองคนค่ะรวมกับเจ้าของเรื่องก็เป็นส วันนั้นหลังจากที่คุณแม่กลับบ้านก็แอ บ, บคิดแล้วนะคะว่าคงต้องมีใครมาพักที่ห้องบ้างล่ะเพราะว่าเราไม่เคยนอนหอพักแล้วก็ไม่เคยนอนคนเดียวใจก็แอ บ, บกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่พอสมควรแต่คุณผู้ฟังไม่มีเลยค่ะไม่มีเจ้าค่ะไม่มีจริงๆไม่เป็นอย่างที่คิดเลยคือนอนคนเดียวถึงสองคืนคกว่าจะมีคนเข้ามาพัก ซึ่งตอนนั้นเจ้าของเรื่องเองนี่บอกว่าดอกค่อนข้างตื่นเต้นนะก็เลยเข้ามาพักที่หอพักเนี่ยคือก่อนมีเรียนแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะก็คือคิดว่าคนอื่นคงจะเป็นเหมือนกันแต่ไม่ค่ะจะบอกว่าจำความรู้สึกสองคืนนั้นได้แม่นเลยคือไม่ได้เจอหรือได้ยินอะไรหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นสองคืนที่ยาวนานมากรู้สึกทรมาน อยากให้มีคนมาพักด้วยเร็วๆคือกลัวหลอนตัวเองไปหมดเปิดไฟนอนทั้งคืนไฟมีกี่ดวงก็เปิดหมดมีกี่หลอดเปิดหมดแม้กระทั่งไฟระเบียงไฟห้องน้ำนะคะพอหลังจากคืนที่สองผ่านพ้นไปค่ะก็มีเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเข้ามาพักด้วยขอเรียกชื่อแทนว่าคุณโบก็แล้วกันนะคะวันนั้นคือมีแค่โบกับเจ้าของเรื่องที่พักอยู่ด้วยกันส่วนอีกสองคนนี่ยังไม่มาวันนั้นตัวของ เจ้าของเรื่องเองก็คุยพูดคุยถามไถ่กับคุณโบเรียบร้อยว่าเรียนสาขาอะไรปีอะไรชื่ออะไรเยอะแยะมากมายคุยกันเรื่อยเปื่อยตามประสาะน้องใหม่ด้วยกันทั้งคู่ค่ะในความว่าโบเนี่ยเรียนการโรงเรียนปีหนึ่งซึ่งพอหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันก็มีคนเข้ามาพักเพิ่มเขาเป็นรุ่นพี่ทั้งสองปีเลยคือเขาบอกว่าเขาพักอยู่ห้องนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้ว การอ่าแล้วก็เรียนการโรงเรียนเหมือนโบเลยขอแทนว่าชื่อก้อยนะคะหลังจากที่3คนเข้าพักที่ห้องตามที่ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านั้นครบหมดแล้ว3คนเนี่ยก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหาวิทยาลัยทั่วไปแหละนะคะไปเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆก็วนเวียนอยู่แต่ในนั้นในแต่ละวันแต่ละคืนจนขึ้นปี2ก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีอะไรผิดปกตินะคะ แต่จะมีก็แค่พี่ก้อยเท่านั้นค่ะที่เริ่มไม่ค่อยจะกลับห้อง น, น, นานๆจะกลับมาพักบ้างส่วนเจ้าของเรื่องกับคุณโบเนี่ยก็ยังคงพักอยู่ที่เดิมแต่ไม่นานค่ะหลังจากนั้นหลังจากที่ขึ้นปีสองเนี่ยมันก็เริ่มไม่เหมือนเดิมละคือวันนั้นเป็นวันพระเจ้าของเรื่องกับคุณโบคุยกันเรื่อยเปื่อยเหมือนอย่างทุกวันที่เคยคุยกันสักพักหนึ่งมันมีกลิ่นเข้ามาแทรกในจมูกหือ อุทานกับโบเลยนี่มันกลิ่นทูบนี่สองคนอยู่ในห้องกันแค่นั้นซึ่งตอนนั้นตกใจมากทั้งกลัวทั้งสงสัยพอพูดจบเนี่คะโบวิ่งออกไปนอกห้องพร้อมกับกรี๊ดเสียงดังเลยไอตัวคนเจ้าของเรื่องนี้ก็บ้าจี้เหมือนกันกรี๊ดตามแล้วก็วิ่งตามออกไปคือตอนนั้นทั้งอยากจะขำทั้งอยากจะร้องไห้แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าพอสองคนกรี๊ดและววิ่งออกไปนอกห้องไม่มีใครเปิดประตูออกมาดูเลยสักคน พอหลังจากที่กรีดเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ตรงประตูห้องสักพักก็ได้สติค่ะและก็คิดว่าที่นี่คือห้องพักของเรายังไงเราก็ต้องพักอยู่ที่นี่2คนก็เลยรวบรวมความกล้าเดินกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งแต่ไม่ปิดประตูนะพร้อมกับดมไปทั่วห้องเพื่อหากลิ่นว่ากลิ่นเนี่ยมันมาจากไหนแต่ยังไงก็ยังหาไม่เจอเหมือนเดิมนะคะสักพักหนึ่งกลิ่นก็เริ่มจางลงไปค่ะสองคนนี่ก็เลยคุยกัน ว่าตกลงมันคืออะไรแต่คิดไปคิดมาก็คงไม่มีอะไรดอกมกั้งควรห้องจุดทูบไหว้อะไรกันบ้างล่ะ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่กี่เดือนค่ะโบก็บอกว่าเขาจะย้ายไปพักที่มอใหม่เพราะ ว, าว่าวิชาที่เขาลงไว้ส่วนมากเนี่ยเรียนอยู่ที่มอใหม่จะได้เดินทางสะดวกซึ่งตอนนั้นเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเหตุผลนั้นจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยตึกการโรงเรียนอยู่ที่มอเก่าแต่ว่าเขาอาจจะมีวิชาเลือกเรียนส่วนมากที่มอใหม่จริงๆก็ได้ก็เลยไม่ได้ซักไซส์อะไรมากนะคะซึ่งตอนนั้นตัวของเจ้าของเรื่องเอง ก็แอบใจหายนิดนิดเพราะว่าถ้าโบย้ายออกไปก็เท่ากับว่าต้องพักอยู่ที่นี่คนเดียวเพราะว่าปกติก้อยก็ไม่ค่อยได้กลับเข้ามาห้องสักเท่าไหร่แล้วก็พอหลังจากที่โบย้ายออกไปค่ะก็ใช้ชีวิตปกติไปเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนทํากิจกรรมกินข้าวนอนดูทีวีวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งวันนั้นเลิกเรียนช่วงเย็นกว่าจะกลับมาถึงห้องก็เกือบมืด เพราะว่ารถนี่วิ่งช้ามากนั่งรถโดยสารไปเรียนเพราะว่าไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์เนาะที่เรียนปีหนึ่งปี2 ส, ส่วนมากก็จะเรียนอยู่ที่มอใหม่ทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่เลยว่าอืทําไมวันนั้นรุ่นพี่ถึงบอกว่าส่วนมากเนี่ยเราเรียนมอเก่ามอเก่ากับมอใหม่เนี่ยมันไกลกันเกือบ10กิโลได้มั้งพอเข้ามาถึงห้องพักล้มตัวลงนอนเลยละค่ะเพราะว่ารู้สึกเพลียแล้วก็ง่วงมากจนเผลอหลับไปแบบไม่ได้เปิดไฟ หรือเปิดทีวีด้วยโดยไม่ไรู้สึกกลัวนะเพราะว่าอยู่มานานเป็นปีกว่าแล้วนะคะก็เริ่มชินเริ่มอะไรบ้างพอนอนไปได้สักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงหัวเราะแต่ในใจเขาคิดว่าคงเป็นเสียงคนในหอพักนี่แหละสักพักก็ได้ยินอีกรอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือชัดเจนมากค่ะเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆอยู่ข้างหูหัวเราะแบบเนิบๆช้าๆออกแนวแบบหัวเราะเยาะนะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเด็กหรือเปล่าเพราะว่าเบามากแต่ว่ามันกล้องอยู่ในหูค่ะวินาทีนั้นรีบลุกเลยเปิดทีวีเปิดไฟทุกดวงเหมือนวันแรกที่เข้ามาเลยตอนนั้นก็ทั้งตกใจทั้งกลัวทำอะไรก็ไม่ถูก ก็เลยตัดสินใจโทรหาคุณแม่โทรคุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็ไม่ได้บอกแม่นะคะเรื่องที่ได้ยินเมื่อสักครู่เพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ยินก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นเขาได้ยินแล้วเขาจะยิ่งโกรธแต่ว่าพอได้คุยกับแม่ความรู้สึกก็เริ่มโอเคขึ้นนะก็ไปอาบน้ําต้มมามา่ากินแล้วก็นอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเผลอหลับไปอีกอรอบหนึ่งพอตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมนะคะ เหมือนทั่วทั่วไปนั่นแหละแล้วก็เย็นวันนั้นคนที่ชื่อก้อยเนี่ย ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่พักอยู่ในหอเดียวกันกลับมาพอดีสองคนองคนอนคนละมุมห้องพักแต่ว่าจะวางทีวีไว้ตรงกลางห้องเพื่อให้ได้ดูด้วยกันก็นอนดูทีวีแล้วก็เล่นโทรศัพท์เหมือนที่เคยทําตอนนั้นตัวของเจ้าของเรื่องเองยังคาใจเสียงที่ได้ยินเมื่อวานก็เลยตัดสินใจเอ่ยปากถามพี่ก้อยออกไปแบบกล้ากลัวเพราะว่าใจนึงก็กลัวเขาก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นจะโกรธบอกว่าพี่ก้อยคะพี่ก้อยเคยได้ยินแล้วก็ได้เห็นอะไรแปลกๆในห้องเราไหมคะ พอพูดจบพี่ก้อยหันมามองหน้าพร้อมกับยิ้มให้แล้วก็ขำเบาๆแล้วพี่ก้อยก็ถามกลับมาบอกทําไมหรอเห็นหรือได้ยินอะไรล่ะก็เลยยิ้มกลับไปแบบแห้งๆนะคะแล้วก็ตอบกลับไปบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะกับพี่แล้วพี่ก้อยก็ยิ้มตอบกลับมาอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าพี่ก็เคยได้ยินแต่เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้นะไม่ใช่หัวเราะตอนนั้นนี่ขนลุกทั้งตัวค่ะคุณผู้ฟังทั้งหัวทั้งแขนแข น, นขามันลุกขึ้นมาหมดเลยแล้วพี่ก้อยก็เสริมอีกว่า ไม่มีอะไรหรอกของแบบนี้มีอยู่ทุกที่แหละอย่าคิดมากตอนนั้นก็ยิ้มตอบรับแทนคําขอบคุณไปให้พี่ก้อยแต่ในใจก็นึกกลัวแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปเหมือนทุกๆวันคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะทีน่นี้วันนั้นก็เลยเดินทางกลับบ้านเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวพอตกกลางคืนค่ะประมาณตีสองนี่แหละอยู่ดีๆตื่นขึ้นมากลางดึกเสียงดังเอีย๊ยดอยู่ในหัวตลอดเลยนะคือสักพักก็เริ่มใจสัน่น พอหลังจากนั้นหายใจไม่ได้เลยเหมือนกําลังจะตายตอนนั้นก็เหมือนคนบ้าก็วิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกแม่ทุกคนในบ้านตกใจรีบวิ่งออกมาดูว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็บอกแค่ว่าหนูหายใจไม่ออกหนูจะตายแล้วตอนนั้นมั่นใจเลยว่าตายแน่ตายแน่นอนกลัวค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจเรียกรถโรงพยาบาลตัวของเจ้าของเรื่องเองก็ทําท่าแบบหายใจผงาบผงาบนะคะเหมือนปลาที่อยู่บนบกเหมือนจะตายตัวสั่นแรงอยู่แบบนั้น ระหว่างรอรถพยาบาลมาประมาณ15นาทีพอรถพยาบาลมาถึงก็ถูกส่งโรงพยาบาลหมอเวนก็ตรวจดูอาการทั่วไปแล้วก็สรุปนะฮะว่าเป็นโรคเครียดแล้วก็ให้ยามากินซึ่งวันนั้นต้องต้องบอกเจ้าของเรื่องบอกว่าเราเนี่ยเครียดกับการวินิจฉัยมากกลับมาบ้านมาพูดกับแม่เราบอกว่าเป็นไปไม่ได้หนูไม่ได้เครียดหนูต้องเป็นโรคหัวใจแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็หนูไม่เอาแล้วโรวงพยาบาลเล็ก อะไรเงี้ยก็คือพูดไปด้วยความโมโหนี่แหละนะคะทีนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นมากก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ไปหาหมอแล้วก็เลือกที่จะกลับไปที่มหาวิทยาลัยแทนซึ่งตอนนั้นด้วยความที่แม่เป็นห่วงก็เลยอยากให้อยู่บ้านอีกสัก2วันแต่แน่ใจแล้วว่าไม่เป็นอะไรก็เลยขอตัวกลับแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพูดแต่เพียงสั้นๆว่ามีอะไรก็โทรหาแม่นะแม่เป็นห่วงก็เลยตอบตกลงไปนะคะ ทีนี้พอกลับมาถึงมตอนเย็นวันนั้นก็รู้สึกแปลกๆแล้วก็มีความรู้สึกตัวเองเหนื่อยเศร้า อ, อยากร้องไห้โลกรอบข้างนี่มันเป็นสีเทามองอะไรก็เศร้าไปหมด แต่ทีนี้เนี่ยพ อ, อตกตอนเย็นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังไงก็ได้แต่ทนจะบอกแม่ก็ไม่กล้าเพราะว่าแม่ก็บอกแล้วว่าให้อยู่บ้านก่อนแต่ว่าเราเองก็เลือกที่จะกลับมาที่มหาวิทยาลัยค่ะก็ทนอยู่กับความรู้สึกนั้นเป็นอาทิตย์ทรมานมากจะบอกเพื่อนก็ไม่กล้ากลัวเขาหาว่าเรานี่เป็นบ้า แต่มันก็แปลกตรงที่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยมันไม่มีอาการอะไรนะคะมันจ ะ, ะมีช่วงที่เริ่มจะเปลี่นจะเป็นก็คือช่วงใกล้ค่าไปจนถึงช่วงดึกหรือว่าจนกว่าจะนอนหลับแต่พอเข้าอาทิตย์ที่สองค่ะก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวละก็เลยรีบโทรหาแม่เลยแล้วก็เล่าอาการทุกอย่างให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าให้เรานี้ยรีบกลับบ้านพอหลังจากคืนนั้นก็ได้คุยกับแม่ค่ะ เช้าวันรุ่งขึ้นก็ขอลากลับบ้าน3วันแม่ก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ในตัวจังหวัดหมอก็ซักประวัติถามอาการตรวจเลือดรอผลตรวจเลือดแล้วก็เข้าฟังผลหมอบอกว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยเป็นแ a n ิด d i s ซเดอซึ่งจัดว่าเป็นประเภทของโรควิตกกังวล น, นะคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็รู้สึกเพลียเพราะว่าหลังจากออกอนั่งรถจากมหาวิทยาลัยออกมาที่บ้านนี่ก็ตั้งแต่เช้าละ กว่าจะมาถึงจังหวัดที่อยู่ก็3มชั่วโมงพอมาถึงแม่ก็นัดให้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลก็ใช้เวลาตรวจทั้งวันคือเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็เพลียจนไม่ได้สนใจที่หมอวินิจฉัยก็เลยรีบกลับบ้านพักผ่อนพอเช้าวันถัดมาจำได้ว่าหมอบอกว่าเป็น Panic Disorder ก็เลยค้นหาคำนี้ในอินเทอร์เน็ตค่ะพอหลังจากค้นเจอแล้วก็ลองอ่านดูข้อมูลค่อนข้างตรงกับอาการที่เราเป็นอยู่มากตอนนั้นก็โล่งใจสุดๆละ เพราะข้อมูลบอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นแล้วไม่ตายถึงเวลาอาการกำเริบก็ดูเหมือนใกล้จะตายแต่ก็ไม่ได้ตายอย่างแน่นอนโอ้ดีใจนะคะตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอืมพอหลังจากที่พบหมอเรียบร้อยก็ได้ยามาทาอนมาทา น, น 1-2 วันก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยตามเดิมนะคะอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าดีขึ้นได้ไม่นานก็รู้สึกแบบนั้นอีกครั้ง แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหนักกว่าเดิมทั้งทางที่ทานยาตามที่หมอสั่งมาตลอดไม่เคยขาดเลยวันนั้นจําได้ค่ะว่ากลับมาเรื่องมันเศร้ามันเหงามันวังเวงมันอยากร้องไห้นั่งทําใจอยู่สักพักหนึ่งก็เลยตัดสินใจเดินไปอาบน้ำเพราะคิดว่าอาบน้ำแล้วคงจะดีขึ้นแต่ไม่เลยค่ะ ยืนร้องไห้ในห้องน้ําโดยไม่มีสาเหตุก็นั่งทําใจสักพักหนึ่งก็เลยตัดสินใจเดินไปอาบน้ําเพราะคิดว่าอาบน้ําแล้วคงจะดีขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยคือหาสาเหตุไม่ได้ก็รู้แค่ว่าเศร้าเศร้ามากๆแต่เศร้าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็ยืนร้องไห้อยู่แบบนั้นนานพอสมควรจนคิดในใจแล้วว่าไม่ได้ละต้องใจแข็งแล้วก็รีบอาบน้ําจนเสร็จแต่งตัวนอนเล่นโทรศัพท์ดูทีวีพยายามไม่คิดอะไรสักพักก็เริ่มง่วงคือเผลอหลับไปนั่นเองนะคะแบบไฟ เปิดไว้ทุกดวงทีวีก็ยังเปิดอยู่จนราวเที่ยงคืนกว่าตื่นขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้นะคะว่าตัวเองนอนต่อไม่ได้เพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่วงเลยสักนิดเดียวก็เลยตัดสินใจค่ะหยิบโทรศัพท์มาเล่นเพื่อรอเวลาให้มันง่วงนอนพร้อมกับปล่อยให้ทีวีมันดังอยู่อย่างนั้นนะคะสักพักหนึ่งก็เริ่มเศร้าขึ้นมาอีกเศร้ามากเศร้าแบบบอกไม่ถูกอธิบายออกมาเป็นประโยคไม่ได้แล้วที่แย่ไปกว่านั้น เกิดความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายค่ะคุณผู้ฟังใช่อ่ะฆ่าตัวตายทีนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องบอกว่ากลัวกลัวใจตัวเองมากเพราะมันมีความรู้สึกว่าเราต้องลุกไปหยิบมีดแต่ในใจเนี่ยมันเหมือนมี2ด้านไงความคิดมันมีสองด้านความคิดด้านหนึ่งบอกอย่าส่วนอีกด้านนึงบอกลุกไปหยิบมีดมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องก็มองไปที่มีดแล้วบอกกับตัวเองว่าให้เดินไปหยิบมีดมาปาดคอตัวเองซะ จะบอกว่าตอนพิมพ์ประโยคนี้เนี่ยคือขนลุกเหมือนกันนะตอนนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองนี่บ้าบ้าจริงบ้าไปแล้วแน่ๆแต่คิดแบบนั้นไปได้ยังไงตอนนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วแต่ไม่ได้เดินเข้าไปหยิบมีดนะคะยืนมองดูมีดนั้นอยู่ยืนดูนานค่ะทั้งทังที่ก็เปิดไฟไ ว, ไว้สว่างทั่วห้องเปิดทีวีเสียงดังแต่ว่าสิ่งรอบกายเหล่านั้นกลับไม่ได้ช่วยดึงความคิดเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งก็ไม่รู้อะไรดนใจทําให้ คิดถึงคุณแม่นะคะแล้วก็พอคิดถึงคุณแม่คิดได้แบบนั้นแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็เลยว่าจะโทรไปหาคุณแม่ค่ะแบบประมาณว่าเราจะทําแบบนี้ไม่ได้นะเรายังมีแม่ที่ต้องดูแลอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้โทรไปเพราะว่าหลังจากความหลุดจากความคิดอันเลวร้ายนั้นมาได้ก็นั่งอยู่บนเตียงร้องไห้ว่าจะโทรไปนั่นแหละแต่ว่ากลัวว่าแม่เนี่ยจะเป็นห่วงเพราะว่าเนี่ยก็ดึกมากแล้วนะคะแล้วก็คืนนั้นค่ะตัดสินใจไม่นอน โทรคุยกับกิกกับกากไปด้วยเปื่อจนเช้าจนพอถึงช่วงเช้าก็วางสายจากโทรศัพท์แล้วก็ลุกจากที่นอนไปอาบน้ําแปลงฟันแล้วก็กลับมานอนแบบจริงๆซึ่งวันนั้นทั้งวันไม่ได้กินข้าวเลยนะคือนอนอย่างเดียวเพราะว่ามีความรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวเองไม่หิวข้าวเลยนะคะ จนวันนั้นค่ะมีอีกวันหนึ่งคือวันต่อมานี่แหละทนไม่ไหวเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายอีกครั้งตั้งแต่หมอให้ยามานี่คือทานตลอดไม่เคยขาดก็เลยตัดสินใจโทรบอกแม่แม่นี่ตกใจมากค่ะแม่บอกว่าให้รีบกลับบ้านนะพอเช้าวันถัดมาก็รีบกลับบ้านทันทีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแม่ให้เรากลับบ้านเลยโดยไม่ได้นัดให้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลเหมือนครั้งก่อนพอกลับถึงบ้านค่ะแม่บอกว่า ต้องลองรักษาทั้งสองทางคือวิทยาศาสตร์และก็ศิลศาสตร์เป็นในตัวซึ่งตอนนั้นยอมรับเลยว่าตกใจเพราะถึงแม้เราจะไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับพวกนี้บ้างเลยแต่ว่าส่วนตัวไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยนะคะก็เลยตอบตกลงตกลงกับแม่แม่ก็เลยพาไปพบผู้หญิงแก่อายุประมาณสัก50กสิบกว่าเกือบ6กน่าจะได้ซึ่งแม่เราเรียกว่าหญิงแก่คนนั้นว่าแม่หมอ พอไปถึงค่ะแม่ก็เอาจานที่ได้จัดดอกไม้แล้วก็เทียนไว้5คู่พร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งใส่เข้าไปในจานเพื่อเป็นค่าครูหลังจากนั้นนะคะแม่หมอก็ถามว่าอาการมันเป็นยังไง ก็เลยเล่าให้แม่หมอฟังตามความรู้สึกทั้งหมดค่ะสักพักหนึ่งแม่หมอก็เลยหยิบเอาไข่หนึ่งใบามาวางบนมีดพระแล้วก็ลูบวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นพร้อมกับท่องอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากนั้นค่ะแม่หมอก็เอาไข่ที่ผ่านจากการลูบคมบนมีดพระมาวางตั้งบนพื้นไข่มันตั้งได้จริงๆนะคะซึ่งตอนนั้นเจ้าของเรื่องบอกตกใจมากหลังจากนั้นแม่หมอก็ถามว่าแถวที่พักนี่มีศาลไหมก็เลยตอบไปบอกว่ามีค่ะมีหลายจุด แม่หมอก็ถามต่อว่าเคยไปไหว้หรือเอาอะไรไปถวายบ้างไหมก็เลยตอบไปบอกไม่เคยค่ะหลังจากนั้นแม่หมอก็ยิ้มพร้อมกับขำเบาๆแล้วบอกว่าตรงที่หนูพักเนี่ยมันจะมีสารตรงทางเข้าประตูตรงนั้นแหละท่านไม่พอใจเพราะว่าท่านเห็นตลอดว่าเราซื้อข้าวของขนมนมเนยกลับมากินแต่ไม่เคยแวะไหว้หรือว่าถวายท่านเลยท่านก็เลยมองว่าเราเนี่ยเป็นคนตรหนีขี้เหนียวหลังจากแม่หมอพูดจบเรานี่ขนลุกเลยค่ะ เพราะว่าตรงทางเข้าประตูรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีสารตั้งอยู่คนแถวนั้นเรียกว่าสารกระดิ่งซึ่งจะมีลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่แน่ใจนะฮะว่าต้นไทรหรือเปล่าแล้วก็จะมีกระดิ่งแขวนอยู่ตามกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยเรียกว่าแทบจะมองไม่เห็นใบกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยจะมีสารตั้งอยู่แล้วก็ที่แท่นวางของไหว้แล้วก็ที่ปักธูปปักเทียนคือเอาเป็นว่าใครที่ไม่เคยไปไหว้แล้วก็ไปไหว้ครั้งแรกเนี่ยต้องมีขน ลุกกันบ้างละเพราะดูศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เลยบอกกับแม่หมอว่าขอบคุณนะคะหนูจะกลับไปทำค่ะหลังจากที่ไปพบแม่หมอมาแล้วก็ไม่ได้หยุดพบหมอเหมือนกันนะคะทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าตอนนั้นเลือกรักษาทั้งสองทางไปพร้อมกันก็พักอยู่บ้านได้สองสามวันก่อนจะเดินทางกลับมาที่มหาวิทยาลัยค่ะรอบนี้แม่เราเนี่ยเอาสร้อยพระให้แม่บอกว่าใส่สร้อยพระไปด้วยตลอดอย่าถอดออก แล้วก็บอกให้สวดมนต์ก่อนนอนจากนั้นก็ไหว้แม่กับพ่อแล้วก็เดินทางกลับมหาวิทยาลัยพ่อกลับถึงมอเช้าวันถัดมาหลังเลิกเรียนค่ะก็ได้ซื้อกระดิ่งขนมน ม, นมเนยน้ำแดงทูบ เพื่อไปไหว้แล้วก็ถวายท่านที่ศาลตอนแรกที่เดินเข้าไปจะบอกว่าสิ่งที่รู้สึกคือเย็นมากเย็นจนออกหนาวแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มถวายขนมน้ำแดงนมแล้วก็จุดธูปไหว้นะคะพร้อมกับขอขมาในสิ่งที่เราเนี่ยทําไม่ถูกไม่ควรพอหลังจากไหว้เสร็จก็เอากระดิ่งมาแขวนที่กิ่งของต้นไม้เหมือนกับของคนอื่นที่เขาทํากันแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกขวัญเสียมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากระดิ่งมันหล่นลงมาแตกค่ะก็เลย ที่ซื้อกระดิ่งแบบเป็นกระเบื้องเหมือนของคนอื่นไปห้อยเนี่ยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เลยรีบเก็บกระดิ่งเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไหว้ท่านก่อนเดินออกไปแน่ใจคิดว่าเอ๊จะซื้ออันใหม่มาแขวนอีกรอบหนึ่งดีไหมแล้วหลังจากวันนั้นก็เป็นวันพระก็กลับมาอีกรอบรอบนี้เอาผลไม้เอาน้ำแดงมาถวายพร้อมกับจุดธูปไหว้เหมือนครั้งแรกพร้อมกับเอากระดิ่งเนี่ยมาแขวนที่ศาลตามตั้งใจไว้ก่อนหน้าแต่ว่าครั้งนี้สําเร็จค่ะไม่หล่นลงมาแตกเหมือนรอบแรก ในระหว่างที่กำลังเดินกลับหอพักเนี่ยก็พบว่ามีสารอีกสองแห่งคือตรงทางสามแยกหลังคณะการโรงเรียนอขออภัยกับการโรงแรมนะคะแล้วก็สารเก่าอยู่ในป่าค่อนข้างน่ากลัวสําหรับคนที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้เลยทีเดียวแต่ว่าตอนนั้นในหัวเนี่ยคิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะเดินไปถวายอาหารกับจุดทูบที่สารกระดิ่งทุกวัน ทุกๆวันพระนะคะแต่ทุกครั้งที่เดินไปก็จะผ่านสองสารที่พูดถึงถ้าเราไม่ไหว้ท่านก็กลัวท่านจะกโกรธเหมือนกันก็เลยตัดสินใจไหว้มันทั้งสาลสาสามสารนี่แหละในทุกวันพระนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างในบา ง, บางวันที่ไม่ได้ไปเนี่ยนะคะหลังจากที่กินยาตามที่หมอสั่งพร้อมกับไหว้สารทุกๆวันพระมาได้ระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าเออโอเคขึ้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะเจ้าของเรื่องบอกว่าแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกอยากทําบุญตักบาตร คูความคิดเปลี่ยนไปเลยนะจากคนที่ไม่ค่อยทําบุญไม่ค่อยคิดเรื่องเข้าวัดเข้าวากลับมามีความรู้สึกว่าอยากทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เราได้บุญแล้วก็ได้แผ่บุญให้กับคนอื่นและสิ่งต่างๆหลังจากที่เราไปทําบุญไม่เคยทําบุญเนี่ยเราก็ไปทำนะคะไม่เคยสวดมนต์ข้ามปีเราก็สวดไม่เคยกินเจเราก็กินแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างจะจริงจังกับเรื่องบุญมากถึงขั้นหาหนังสือธรรมะมาอ่านเลย พอเริ่มขึ้นปีสามก็ยังคงไปไหว้สารแล้วก็ทำบุญอยู่บ้างแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเหมือนช่วงแรกๆแต่สิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยที่ด้อยกว่าเราจริงๆแล้วก็เวลาได้ให้หรือว่าทำบุญเนี่ยมันรู้สึกดีจากข้างในงนะคะไม่เหมือนสมัยเด็กๆที่แม่นีบังคับให้ไปวัดเพราะเราทำบุญก็รู้สึกว่ามันเฉยๆออกแนวขี้เกียจ ด, ด้วยซ้า ไม่ได้รู้สึกอะไรเพียงแค่ว่าทำไปเพราะว่าแม่ให้ทำเท่านั้นเองค่ะจนกระทั่งเรียนจบปีสามก็มีการวางแผนนะคะว่าจะย้ายไปอยู่ห อ, อนอกนะคะแถวแถวอ่ามอใหม่วันนั้นก่อนจะออกจากหอพักเนี่ยก็จำานนแม่นจนถึงวันนี้เลยว่าจ้างรถโดยสารมาขนของเพื่อจะย้ายไปที่หอพักแถวมอใหม่ ตัวของเจ้าของเรื่องเองก็เก็บข้าวของไปเรื่อยๆจนครบหมดค่ะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรจะเหลืออยู่ก็แค่ตะกร้าผ้าเท่านั้นกับพวกไม้แขวนเสื้อและก็ของจิปาถะเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในตะกร้าก่อนออกจากหอพักก็ต้องเอากุญแจห้องไปคืนพี่เจ้าหน้าที่ แต่พอกำลังจะออกจากห้องกลับหากุญแจไม่เจอค่ะแต่ว่าตอนนั้นมั่นใจแล้วว่าวางกุญแจไว้แถวโต๊ะข้างเตียงซึ่งตอนนั้นเราก็เอาตะกร้าผ้าวางไว้ที่โตะด้วยก็พยายามหาอยู่นานหาในตู้เสื้อผ้าลิ้นชักห้องน้าเทตะกระ้าก็เลยตัดสินใจยกมือไหว้และบอกกล่าวท่านบอกท่านคะตอนนี้หนูกำลังจะย้ายออกไปพักหอนอกค่ะตอนนี้หนูหากุญแจไม่เจอหนูมีความจาเป็นที่จะต้องนากุญแจไปคืน ก่อนออกนี่ช่วยดนบันดาลให้หนูเจอด้วยนะคะพอพูดจบคุณผู้ฟังก็ลองรื้อของออกจากตะกร้าอีกครั้งเฮ้ยกุญแจอยู่ในตะกร้าค่ะคือรอบนี้ไม่ต้องเทไม่ต้องคน้นหรือคุยอะไรเลยแค่ยกของบางอย่างออกจากตะกร้าเห็นเลยว่าวางอยู่ในตะกร้านะคะแล้วก็ก่อนออกจากหอพักเนี่ย เขาบอกว่าเขาก็ไม่ลืมที่จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่หอพักแล้วก็ในรั้วมอเก่าว่าเรากําลังไปพักที่หอนอกขอให้ท่านจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเราด้วยหลังจากนั้นมาค่ะก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็มีอาการบ้างเป็นบางครั้งเวลาเครียดหนักๆเพราะว่ากลายเป็นโรคประจําตัวติดตัวมาด้วยนะคะทีนี้ มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแค่นอนไม่หลับใจสั่นนิดหน่อยมีสังคมมีเพื่อนฝูงเที่ยวเรียนมีเวลาก็ทำบุญบ้างนานๆทีตามประสานะคะเรื่องที่เจอในหอเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็มีประมาณนี้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ให้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจาวันนี้ทางช n น l พระเจอผีค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้บีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ